การบทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประสุ์ในวันนี้เนื่องจากเป็นช่วงหลังวันวาคบูชาที่ในผ่านพิธีทำสักการบูชากันมาแล้วก็น่าจะมาทำความศึกษาในเรื่อง โอวาทปาติโมกซึ่งเป็นคำสอนที่เป็นหลักหรือเป็นประธานที่พระเจ้าทรงแสดงครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวจะมีลักษณะเหมือนกับธรรมนูญในการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ก่อนที่จะทรงแสดงวาตาปาติโมกนั้นถ้าเรามองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พระเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันหมายความมาได้รับพระเวฬุวันแล้วแต่พระองค์เองในวันนั้นที่จริงอยู่ที่ภูเขาคิสกูร มีพระสารีบุตรก็บวชมาใหม่ๆพระสารีบุตรบวชมาได้สิบห้าวันพร ะ, ะเจ้าเสด็จไปอยู่ที่ภูเขาคิชกูด ท, ที่ถ้าสุการคาตาท่านที่คือไปภูเขาคิจกูดก็คงจะเห็นว่าที่จริงมันเป็นเงื่อมก็ไม่ใช่ถ้ำลึกอะไรทั้งไรพระสารีบุตรไปนั่งถวายงานพัดอยู่ ทีขักขาอคิเวสชนะซึ่งเป็นหลานของพระสารีบุตรด้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็สนทนาสอบถามลักษณะการพูดก็ดีหรือการสอบถามก็ดีก็มีแนวที่เรียกว่ากระทบพระพุทธเจ้าอยู่ในสุดพระเจ้าก็ทรงแสดง ปสูตรที่เรียกว่าเวทนาปริกาสูตรหรือทีฆานักสูตรเติม เ, เริ่มจากการกำราบความคิดทีฆานัข่ า, ขาท่านกล่าวว่ากาแต่พระมหาสมณะโคโดมข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมด ต่นตันงลาเหนว่าในแง่ของการใช้ภาษาแล้วเนี่ยไม่รับผิดชอบเมื่อใช้ภาษาหลวมพูดหลวมคือไม่น่าจะเอามาพูดกับคนระดับนั้นพระเจ้าก็ทรงทราบนะว่าการพูดกันทีนะคณะนั้นก็กระทบพระองค์นะฮะที่จริงก็คือด่าพระพุทธเจ้าแล้วโกรธที่พระพุทธเจ้าเอาลุงเข้ามาบวช พระอธิขณัขะนั้นก็เป็นปริภาชกสารีบุตรเมื่อก่อนก็เป็นปริภาชกนะฮะโดยศักดิ์แล้วก็เป็นลุงของทีะอณัขะและจากการที่เป็นลุงพระอธิขณัขะนี่ทำให้เราเห็นว่าสารีบุตรนี่แก่กว่าพระพุทธเจ้าตัวขนาดว่าลุงเป็นนักบวชไอ้หลานเป็นนักบวชไปแล้วนะลุงก็แก่ไม่เบาเหมือนกันแน่นะคือแกต้องการว่าแกไม่ชอบพระพุทธเจ้าอ่ะนะ แต่จะบอกตรงๆก็ไม่ได้เกก็เกิดใช้คําว่าทั้งปวงทั้งหมดขึ้นมาสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดปุดจ้าก็ากรที่คานาคะถ้าอย่างนั้นถ้าเธอมีความเห็นว่าอย่างนั้นก็แสดงว่าความแม้ความเห็นของเธอเองเธอก็ต้องไม่ชอบใจด้วย เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อใช้คำว่าทั้งปวงทั้งหมดมันไม่มีอะไรเหลือเลยเราสังเกตนะครับพรเจ้าจะไม่ค่อยใช้คำว่าทั้งปวงทั้งหมดใช้คำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเองใช้ได้เพราะมันเป็นสภาวธรรมแต่เราจะพูดกับคนทั้งปวงดีคนทั้งปวงเลวพูดไม่ได้ มันไม่รับผิดชอบรับผิดชอบไม่ได้แต่เขาไม่พูดกันนอกจากว่าจะชี้ในบางกรณีที่เขาทำดีหรือทำไม่ดีติฆนะขาเขาก็ไม่เบานะฮะไม่ใช่คนโง่พระเจ้าก็ขยายต่อไปว่าคนเราเนี่ยที่ใช้ตัวเองเป็นฐาน ในการคิดในการตัดสินปัญหาต่างๆมันจะแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งถือว่ามองในแนวที่รุนแรงอย่างทีฆาตฆาตเนีาา่ยว่าสิ่งทั้งปวงตัวเองไม่ชอบก็คือก็คือไม่ดีนะฮะตัดสินการไม่ดีหรือดีโดยอาศัยความชอบหรือไม่ชอบของตัวเองเป็นเกณฑ์คนพวกหนึ่งนั้นจะแยก ว่าบางสิ่งควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ชอบบางสิ่งไม่ควรก็ไม่ชอบอันที่จริงตัวคนไม่ใช่มาสที่จะไปวัดอะไรได้นะการตัดสินตามความรู้สึกแม้จะมีการแยกแต่ก็ใช้อารมณ์ไม่ใช่หลักการไม่ใช่เหตุผลเพราะโอกาสเสี่ยงมันก็มีอย่า พอที่สามนั้นถือว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจหมดอันนี้เอาหมดมุ่งยุ่งเหมือนกันนะพระจะใช้อารมณ์ตัวเองทั้งหมดคือนั้นลักษณะใช้อารมณ์ก็เป็นเหตุการณ์ที่จริงแล้วมันก็นานแล้วนะฮะแต่ท่านหลายลองสังเกตว่าความคิดของคนเราในยุค ป, ปัจจุบันก็มือเหมือนกัน คือใช้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นเกณฑ์ในการกำหนดดีไม่ดีชอบไม่ชอบถูกไม่ถูกอะไรแต่ไหนเนี่ยคือจะใช้ความรู้สึกตัวเองแต่ไม่ได้มองในแง่เหตุผลแล้วไม่ได้มองทั้งกระบวนการไม่ได้มองทางระบบไาต่อไปจะเป็นยังไ ง, ย, ง, ไงยังไงเนี่ยคือไม่ได้อธิบายไม่ได้มอง แส่แล้วผู้เจ้าทรงแสดงสิ่งที่เรียกเวทนาปริฆาตสตรเป็นการทรงสอนให้ดูถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งที่เราประสบวะเวทนาคือความสุขความทุกหรือว่ากลางๆที่เรากำลังสวยเนี่ยมาหาข้อยุติไม่ได้ว่าเวทนาอะไรไจะเกิดแต่ในขณะที่สุขเวทนามันเกิดทุกมันก็ไม่มี ในขณะที่สุขเกิดทุกข์มันก็ไอในขณะที่ทุกเกิดในสุขก็ไม่มีในขณะที่สุขเกิดทุกข์ก็ไม่มีในขณะที่กลางกลางเกิดไอทุกข์หรือสุขก็ไม่ชัดแสดง ว, ว่าเวทนามันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเราก็ส่งอธิบายไปโดยลาดับธรรมเทศนากันนี้ที่จริงประณีตมากก็ ที่าคณะคะเองก็ไม่เบานะฮะคือฟังแล้วก็บรรลุมรคผลได้เป็นพระโสดาบันตอนเย็นพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงจากภูเขาขิ้นจุกุลระษาดิบุตรฟังฟังธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเกตีาคณะขะนะฮะภาษาดิบุตรก็นั่งถวายงานพัดโยคิดตามไปนะฮะ ปรากฏว่าภาษาดิบุตรบรรลุมคผลเป็นพระอาราคันตั้งแต่ครูเจ้าไม่ได้เทศแก่ภาษาดิบุตรฮะเทศแก่ตอนที่คณะกะที่คณะกะก็ดีขึ้นหน่อยแต่ว่าภาษาดิบุตรได้บรรลุมกผลเป็นพระหันทั้งเจ้าบทแล้วได้สิบวันเพราะช่วงตรงนี้ถ้านับจากตัสรู้ก็ประมาณสักเ็ดเดือนนะ ก็ได้เสด็จมาที่พระเวฬุวัตปัญหาว่าพระสงฆ์พันสองร้อยห้าสิบรูนมาจากไหนคือบางทีคนอธิบายเนี่ยอธิบายเกินไปนะฮะบอกว่าเนื่องจากท่านเหล่านั้นเป็นพวกพรามมาก่อนจนะมีการประชุมกันในเวลาวันเพ็ญในสิวาราตีอะไรนะฮะ พอเป็นพระหันแล้วพอถึงวันเช่นนี้ก็อดที่จะคิดถึงไม่ได้คือมันลืมไปว่าเราพูดถึงพระอระหรอนนันต์ลักษณะอย่างนั้นมันเป็นศีลรัปตปรมาสพระหันตะละศีลรัปตปราม า, าสตัาา้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้วแล้วเอาไปเอาเอ า, เอาสามัญสำนึกของเราว่าถ้าเราก็คงคิดอย่างนั้นนะฮะเราคงมากัน แต่ลืมไปว่าเราพูดถึงพระอระหรันต์ลักษณะทั้งหมดเป็นอาการของศีลับพระตัปมรรมอันไม่ใช่เหตุผลมันได้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นคคือถ้าเรามองโดยความเคารพในญาณของพระอระหันต์แล้วเนี่ยที่จริงมันมันน่ามันน่าจะมาด้วยญาณในีัยซ้ำไปหมายความว่ารู้ตัวเองเนี่ยฮะ มันก็รู้ว่าจะต้องอยู่ในชุดของเจ้าตุรงกสนิบาตั้งก็มามาไกลไม่ไม่ไกลหรอกครับท่านก็แยกย้ายกันอยู่แถบนั้นแหละคืออย่าลืมว่าพระเจ้าทรงสแสดงอาทิตตประ ย, ยสูตรที่ขยาศีสะแล้วก็มาทีิลัตทีวันมาแสดงธรรมะแก่พวกพระเจ้าพิมพิสารรวมเป็นเจ็ดแสนสองมืน่นพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายพระเวรุวัน เวรุวันนั้นไม่ได้สร้างนะฮะถวายเท่าที่มันเป็นน่ยเท่าที่มันอยู่พระเจ้าก็ประทับอยู่บริเวณนั้นแล้วสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็เข้าเฝ้าพระโมคคัลลานะก็ไปแยกไปอยู่ที่กรารวามุตตคามพุขเจา้าก็ตามไปสอนโมคคัลลานะบรรลุมรรคผลได้บทเจ็ดวันพอสิบห้าวันก็หลวงพ่อสารีบุตรก็แสดงว่าเวลาก็ต่อๆกันไปอนะฮะต่อกันไปหลังจากที่ พระเจ้าพิมิสารได้ตำบุญให้แก่พวกญาติที่เป็นเปรตแล้วเพราะการยากจายของพระหันทั้งหลายเหล่านั้นก็อยู่บริเวณนั้นบริเวณกรุงราชสักนั้นไม่ได้มาจากต่างแดนอะไรหรอกเพราะว่าพันสองรอห้าสิบรูปก็คือหนึ่งพันก็คือพวกโุราณในชนิดสองอห้าสิบก็คือพวกภาษาธิบุตรเป็นพระอรหันต์ชุดใหม่ ไม่ใช่ชุดแรกชุดแรกที่90้าสิบรูปนะ่ะส่งไปเผยแผ่ศาสนาไปแล้วไม่ใช่90้าสิบรูปนะฮะพระหันหกสิบรูปพระอนาคามี30สิบรูปที่ส่งไปเผยแผ่ศาสนานี่ก็เป็นชุดใหมย่ยังไม่ได้ท่งไปไหนพระาะวาดในคราวนั้นจึงเป็นการโอวาดเพื่อวางหลักให้ไปเผยแผ่ศาสนา นี้ตั ว, ตวจุตจารุรงกษณนิบาตเองก็เป็นภาษาที่เขียนกันขึ้นทีหลังพระอาจารย์ท่านก็บรรยายไว้แล้วก็ปรากฏว่าพูดไม่ค่อยตรงกันนะนะพูดไม่ค่อยตรงกันวันนั้นเป็นวันมาฆบูชาเป็นเดือนสามมันไม่ได้เกี่ยวอะไระเดือนเพ็ญมันก็มีทุกเดือนน่ะปีหนึ่งก็มีสิบสองครั้งก็มีทุกเดือนก็มนไม่น่าจะมา็นอจารย์อะไระเฉพาะวันมาฆอุชานะฮะ อัศจรย์ที่ว่าพระอรหันต์ซึ่งแยกย้ายกันอยู่ในที่ต่างๆมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระหันนั้นก็เป็นผู้ที่บวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นขีนาศบรุ่นล้วนที่จริงก็ไม่ตําเป็นต้องใส่นะฮะขีนาศพพระหันก็ต้องขีนาศพอยู่แล้วนะฮะคืออาสวะต้องหมดอยู่แล้วประเด็นใหญ่มาอยู่ที่โอวาทปฏิโมก พระเจ้าทงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นคําสอนหลักสั้นๆแล้วเวลาท่าเรียงในตอนหลังนในพระจัยบิดกไม่น่าเชื่อแล้วรัไปอยู่ในวินัยบิดกพระสูตรสำคัญอยู่ในวินยวัยบิดกนะธรรมจากอานติอนัททำไอเนี่ยอนุมพมทิกถาแล้วก็โอวาทปาติโมกห้าเรื่องที่เรามาพูดบ่อยๆเนี่ยจริงๆอยู่ในวินยวัยบิดกจะ เ, เรื่องแปลกไม่รู้ท่านเรียงมาอย่างไงเหมือนกัน มันน่าจะอยู่ในในพระสูตร use, น, นะฮะแต่เกิดมาอยู่ในปีในปิฎกเพราะท่านตอนตอนต้นๆเนีนเ่ยดูแล้วท่านเรียงแนวประวัติศาสตร์พระไตรปิฎกเนี่ยเรียงแนวประวัติศาสตร์ใ น, นความมันลำดับการเรียงตามลำดับกา ร, ร, การอะไรเกิดก่อนเกิดหลังก็ว่าไว้เรียงเรียรียงเรีงไปพวกนี้เลยไปอยู่ในพระสูตรในพระวินัยปิฎกทีนี้โอวาทปฏติโมกเนี่ย บางคนก็อ่านโอวาตนะฮะบางคนก็อ่านโอวาคือภาษาบาลีเนี่ยมันมีหลักว่าพยัญชนะ ท, ทุกตัวที่ไม่มีจุดไม่มีสระอื่นให้อ่านเป็นสระอะโอวาะทะปาติโมกนั้นมันมันไม่ได้จุดไม่ไม่ได้จุดที่อทอตหารเพราะนั่นจึงอ่านว่าโอวาทะปาติโมกเป็นการสอนเรานึกถึงผู้ฟัง นึกถึงผู้ฟังว่าที่จริงไม่ใช่สอนเพื่อบรรลุมรคผลอะไรเพราะท่านบรรลุแล้วท่านเป็นพระอราหารันต์ได้นะฮะทีนี่แนวการเรียนการสอนพระสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงอย่างที่เคยบอกไว้นะฮะว่ากลุ่มเรียนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยหรือมันจะเรียนอยู่สามแนว แนวหนึ่งก็คืออลักษณ์ถูประมาะปริยัตยิประมะปฏิยัตยิคือเรียนแบบสะสมความรู้ไว้อวดกั น, ไ ว, กนไว้ข่มกันไว้ขู่กันไว้เบ่งกันเนี่ยนะนะเรียนแบบงูพิษมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่การเรียนแนวนี้มันก็เรียนกันมานะฮะคนก็เรียนก็ชอบใช้ปริยัตยิไปคงผู่คนอื่นเรียกว่าใช้ปริยัตยิไปทําชั่วนะฮะใช้ธรรมะไปทําชั่วประการที่สองนั้นเขาเรียกว่า นิสระนาปริยัติคือเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือในการทําตัวเองให้หลุดรอดจากกิเลสหลุดรอดจากความทุกข์เห็นมากเรียนน้อยไม่รู้ท่านเหล่านี้ท่านเน้นที่การปฏิบัติหรือท่านเอาไปปฏิบัติแล้วข้อที่สามนั้นก็เรียกว่าพันธาคาริกะปริยัติเรียนเพื่อรักษาไว้พระาหารตั้งหลายเนี่ยท่านท่า น, ท, านท่านไม่ต้องเอาไปปฏิบัติ เกิดตนปฏิบัติได้แล้วแต่เรียนเพื่อรักษาเหมือนพันธาคารก็คือก็คือครั้งนะฮะ ค, คือครังเหมือนกระทรวงการคลังรักษาเงินของแผ่นดินไว้นะฮะมีหน้าที่รักษาเงินของแผ่นดินไว้เพื่อประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอันนี้ก็เหมือนกันเกิดท่านเรียนก็สอนก็เพื่อท่านรักษาไว้ เป็นเหมือนขุนคลังเก็บทรัพย์สมบัติของแผ่นดินไ้แต่ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกท่านทั้งหลายไว้ว่าแนวคำสอนเนี่ยมันจะมีเป็นปฏิวัติเป็นปฏิรูปเป็นการยอมรับหลักการแล้วก็เป็นการเอาหลักที่จะจะรู้ตรงนะมาสอน ัน ถ, ถ้าเรามองประวัติศาสตร์อย่างที่เคยบอกนานแล้วว่าการการศึกษาพุทธศาสนาเรจาจะศึกษาสามแนวแนวหนึ่งคือเรียกข้อเท็จจริงในแง่ของประวัติศาสตร์เป็นลักษณะาทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองการทหารการศึกษานะภาพทางภูมิศาสสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเอามาว่ากันหมดเลยมันเป็นอุปกรณ์ในการสอนเป็นเครื่องมือในการสอน อีอย่างหนึ่งนั้นเป็นข้อเท็จจริงด้านธรรมะเป็นความถูกต้องความดีงามในด้านของธรรมะแล้วก็ข้อเท็จจริงในแง่ของปาฏิหาริย์เพราะฉะนั้นเวลาศึกษาเราก็มองเราก็มอ ง, ท, งทั้งหมดซึ่งหมายความว่าไงหมายความไม่ใช่เชื่อทั้งหมดแต่ก็มองกันในแง่ในแง่ของความเป็นจริง ก็เราจะเห็นว่าบางทีพระษฎรอาจารย์ท่านพูดเนี่ยท่านก็เพลนเพลินเน่ยนะเราเห็นในมันนตรงนี้มันทันเพลินไปเฉย ๆ, ๆแล้ก็เหมือนกับเราเขียนหนังสือเราทํางานน ะ, นะฮะบางทีตรงนี้ก็ขี้เกียจเขียนก็นั่งบอกให้เนตรจด้ตัวเองไม่ได้เขียนเองไลนะฮะอาจจะหลวงพ่องงงอยู่กับเนตรจะเขียนให้เราเห็นว่ามันไม่ค่อยเรียบร้อยตรงนี้ยอ่านแล้วดูแล้วมันไม่ค่อยเรียบร้อย บางทีท่านท่านลืมนึกถึงถึงถึงในแง่ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ก็มีแต่ว่าอันนี้ตรงนี้เป็นเป็นพระไตรปิฎกนะเราจะพบแในอรตถานี้มีเยอะที่ท่านลืมว่าไอข้อเท็จจริงในแง่ประวัติศาสตร์เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นไปไม่ได้ฮนเะช่นท่านบอกวัานางวิสาขามีลูกหลานเหรนห้อมล้อม ต, ตลาดกี่พันนะยี่สิบคูณยี่สิบไปรเรื่อยๆนะฮะเป็นหมื่นกว่านะ ห้อมล้อมอายุร้อยิปีแล้วห้อมล้อมฉลองบุพารามมิหาวิหารกันนะแล้วก็พระสงฆ์บอกนางวิสาขาเป็นบ้าไปหรือเปล่าเห็นเต้นราอะไรตัวไรกันห้อมล้อมกันเนี่ยภิกษุท่านบอกเขดีใจแต่เรามองว่านางวิสาขาอายุยี่สิบร้ยี่สิปีได้อย่างไงในเมื่อพระพุทธเจ้ายัางประทับอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าตอนนางวิสาขามาเป็นอุปาตติกายอายุเจ็ดขวบ พระเจ้ามีพระชนอยู่แค่สี่สิบ้าปีแล้วเองอ่ะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่อยู่มาได้ยังไงนางวิสาขาอายุตั้งร้อยี่สิแล้วพระพุทธเจ้ายังไม่นิพานได้ยังไงเราจะเห็นว่าอายุมันห่างกันลิบเลยคือถ้าร้อยี่สิปีมันต้องหลังจากพระเจ้านิพานไปแล้วนะเอามาบวกกันดูก็ได้นะบวกไม่รู้ท่านบวกเลขยังไงเหมือนกันเนี่ยร้อยี่สปีเนี่ยก็แสดงว่านาวิสาขาอยู่มาร่วมร่ ม, รมสังฆทานครั้งที่เนึ่ง อายุเนี่ยร่วมร่วมสังกายนาครั้งที่หนึ่งประสังกายนาที่หนึ่งมันพศหนึ่งร้อยนี่คือคือในแง่ประวัติศาสตร์แล้วก็ฟังไม่ได้ในในแง่ของการเวลาเนี่ยตามปกติเรื่องการเวลาเรามักจะมีปัญหาเพราะว่ามันอาจจะไม่มีนาฬิกาอาจจะจําอาจจะเล่ากันพลาดอะไระอะไรเนี่ยเวลาเนี่ยส่วนส่วนมากมักจะมีปัญหาเพราะว่าในช่วงนี้กลุ่มคนเนี่ย คือเป็นพระอระหันต์มันไม่ใช่สอนเพื่อท่านปฏิบัติเพราะท่านปฏิบัติได้สมบูรณ์แล้วสอนจะเรียกว่าโอวาทปาติโมกเป็นพระโอวาทหลักที่เป็นประทานเป็นการสรุปหลักของพระพุทธศาสนาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราแบ่งออกเป็นสามตอนตอนแรกที่บอกว่าขันติประมังตโปติติการ์เนี่ยความอดกลั้นคือความทนทานเป็นระบายอย่างยิ่ง มันจะมีอยู่สองลักษณะหนึ่งคือเป็นธรรมบัพิบัติที่ทุกอย่างเนี่ยต้องมีตรงนี้หมายความปริญัติเราก็ต้องมีตรงนี้ปฏิบัติเราก็ต้องมีตรงนี้และเผยแผ่เนี่ยต้องมีตรงนี้การปกป้องศาสนาทั้งหมดเนี่ยต้องมีขันติเป็นหลักเลยต้องมีขันติเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย มันเป็นการประกาศอุดมการทางพุทธศาสนาเพราะว่าตะบะในสมัยนั้นคือการทรมานตัวเองมันเป็นยุคของวัตถุนิยมที่รุนแรงสมัยพระพุทธเจ้าในยุควัตถุนิยมที่แรงมากๆเขาก็ถือตะบะสองสองกระแสกระแสวัตถุนิยมก็คือการปนปลื้ตัวเองด้วยวัตถุทั้งหลายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เขาเรียกรัตที่จะระวักโลกายตะเนี่ยคือวัตถุนิยมพวกไงพวกวัตถุนิยมคมันจะปลนปืนตัวเองในด้านการมคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือท ร, รมานตัวเองถือว่าเพื่อต้องการให้จิตอิสระจากจากกรงขังคือร่างกายจิต จิตหรืออัตตาถูกขังอยู่ในกรงคือร่างกายเขาก็ทรมานร่างกายอย่างที่พระเจ้าทํำทรมานมาเยอะนะฮะนั่นคือตะบะควาเป็นตะบะเอามือมากรรมกันอยู่เงี้ยตลอดจนเล็บงอกทะโลุตรงนี้ยืนขาเดียวจนขากระเน่งรีบห้อยหัวลงอะไรตอะไรก็ทุกวันยังมีอยู่เยอะๆนั่นในอินเดียเนี่ยขึ้นไปแถวฤษีเกตอะไรเห็นจะเกลื่อนไปหมดเลยนั่นคือตะบะเราจะเห็นว่ามันใช้การทรมานตัวเอง แต่พระเจ้าท่าไม่ถือเป็นดับพระเจ้ า, าตีตั้งแต่วันแรกกันเทศแรกเลยทเวเมพิกเวเลยตุก่อนพิษสูตรทั้งหลายทองทางสองประการไม่ควรดําเนินนะคือการทรมานตัวกับการหมกมุ่นอยู่ในกามทั้งหลายเนี่ยและทั้งคู่นะฮการหมกมุ่นอยู่ในกามเนี่ยจริงมันคือเดินไม่ถึงอัตกิลามระานโยคมันคือเลยไปมันก็คือไม่ถึงทั้งทั้งสองฝ่ายนะฮะ หมายความว่าถ้าทาความดีก็คือทำความดีไม่ถึงดีกับทำความดีเกินดีเลยก็ไม่ถูกดีไม่ได้ดีแล้วก็ไม่เป็นความดีครูจาก็เสนอหลักการใหม่ที่เรียกว่าขันติคือความบดกรั้นความอดทนเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ที่มากระแทกเนี่ย มันจะเป็นอะไรก็ตามเราจะเห็นว่ามันมั น, ม, นมันที่มีปัญหาคือกระตุ้นโทสะกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะแต่ถ้าใจิตใจเราอดทนไว้เนี่ยเราก็สงบ ค, ความคิดเหล่านั้นได้ทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งราคะแล้วแม้แต่ทุกขเวทนาโรคภยัยไข้เจ็บการประสบภยัยอันตรายต่างๆ จึงทรงแสดงว่าขันติเป็นเป็นบรมตะบะนะฮะคือสุดยอดของตะบะทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกขันติเราเราจึงต้องใช้ทุกเรื่องพระานเองก็ต้องใช้ขันติแม้จะเป็นอัตโนมัตินะฮะที่จริงก็ท่านมันมาโดยอัตโนมัติรอาหารหันเนี่ยขันติท่านมาโดยอัตโนมัติแต่เวลาสอนพระเจ้าก็สอน น, นะนะเช่นพระเจ้าถูกนางมาคันยาจ้างคนด่าที่เมืองโกสัมพีก็ทรงสอนเรื่องขันติ อานนร์บอกให้หนีพระเจ้ารับสั่งถามจะหนีไปไหนอานนร์บอกไปเมืองนั้นเมืองนี้เอาแล้วถ้าก็ด่าอีกทาไงก็นหนีต่อไปพระเจ้าพง ไ, ไม่จะเมตอะอ น, นัสไม่จะเมตอะเราในเหมือนกระชางศึกที่เข้าสู่สงครามการอดกลั้นต่อสรพอาวุธทั้งหลายที่แทงมาจากทิศทั้งสี่นั้นเป็นภารกิจของช้างที่จะเข้าสู่สงคราม เพราะเมื่อทำทำงานเนอย่างนี้มันต้องอดกลั้นอดทนอดท่อยคําของคนทุศีนได้คื่จะไปหวังว่าเราทําดีอะไรแล้วคนทุกคนจะชอบบางคนทุศีมันไ ม, ไม่ชอบไม่ชอบความดีเป็นต่างเนี่ยพวกนี้มันรังเกียจธรรมะ<ช><น>เห็นไหมฮะว่าจริงๆรินี่ท่าเกิดโดยอัตโนมัติอัตโนมัติยังไงอย่างที่เคยบอกว่ามันมันเหมือนกับ น, น้ําบึงมหาสารนี่มันมีน้ําใสสะอาดเราเทสองของสกปรกโครมเดียวนะฮะ มันสลายได้ว่ะแต่นั้นที่จริงที่จริงอุปมามันมันยังมีรอยอยู่นิดหน่อยนะว่าเทโครวลงไปก็ยังมีร่อง ร, อ, งรอยของสิ่งสกปรกอยู่แต่ว่าใจพระหานั้นท่านท่านท่านไกลไปเลยประการต่อไปคือสุดยอดสุดยอดของธรรมปฏิบัติธรรมส่วนผลหมายความมาขันติเนี่ยเป็นธรรมส่วนเหตุในการสร้างเหตุทุกเรื่อง แล้วนิพานเนี่ยนิพานังปรามังวรันติบุตานนิพานเป็นท่านบุรุษทั้งหลายกล่าวนิพานว่าเป็นบรมธรรมบรมธรรมอีกนะฮะเป็นบรมธรรมบรมตะบะนิพานก็คือการดับกิเลสดับทุกข์ได้ซึ่งโดยชื่อภาษาแล้วเป็นการปฏิรูปภาษามาใช้เพราะภาษานี้มีอยู่ก่อนนะฮะหรือเขาใช้อย่างเงี้ยเรียกโมกษาเรียกไกวันเรียกนิพานเรียก วีโมกอะไรก็เรียกเยอะแยะแต่ตัวสภาพเนี่ยมันไม่เหมือนกันตัวสภาพเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวนิพพานจริงๆเนี่ยกิเลสมันต้องไม่มีอาการแสดงออกของกิเลสก็ไม่มีพฤติกรรมตั้งหลายที่ ไปไปเพิ่มกิเลสนะ่ก็ไม่มีที่ที่ ท, ที่ท่านอธิบายพระหานว่าไม่ทำบาปแม้จะในที่ลับไรจากกิเลสหักกรรมของทั้งสาระจากได้นะฮะเป็นผู้ควรไว้ควรวูชารไคุณลักษณะของพระหรันแต่ว่าความเชื่อในยุคนั้นคือการไปอยู่รวมกับปรมาตมัน การเป็นบริวารของเทพเจ้าอยู่ร่วมกับเทพเจ้าะอะไรต่ไรเนี่ยฮะตลอดถึงพวกฌานพวกอะไรเนี่ยเขถือนิพพานตอนนั้นนหละคนสมัยนั้นตั้งแต่ปฐมฌานไปนะฮะก็ถือว่านิพพานแล้วไปเรื่ยไว้นับไปเรื่อยไๆๆๆพระเจ้าทรงสแสดงนิพพานว่าเป็นบรมมธรรมไม่ใช่ไปใช่ไปเกิดอยู่อย่างงั้นไม่ใช่ไปอยู่อย่างงั้นแต่ว่าสภาวะของนิพพานหรือสิ่งที่เรียกว่านิพานนพานเนี่ย ตัวภาษาเป็นเป็นบัญญัติแต่ตัวสภาวะเนี่ยมันสัมผัสนะฮะชาวมาคนต้องสัมผัสเอายิ่งอธิบายก็ยิ่งยุ่งเมื่อคืนก็ฟังอะไรพระหนุ่มเสียวแล้วแกแกอธิบายอ้ยอธิบายอะไรธรรมกายของแกแกเห็นเหมือนกับลุงพ่อสดก็บอกแกเห็นลุงพอสพูดได้ยงไงอ้พูดยังไงบวทภาสามนต์าสนี่ยเบอกชื่อบทภาษามนต์าสร์ คือตัวการสําคัญเนี่ยนะฮะนิพานเราเราดูนิพานอ่อนๆแล้วกันนะไอ้นิพานจริงๆนี่เราก็ยังไม่ถึงนิพา น, อ, อ, นอ่อนที่เราดับเราดับกิเลสได้ในขณะนั้นๆัที่ท่านเรียกว่าสันติกังนิพานังคือนิพานการดับที่เราเห็นได้โดยใจเราเอง เช่นว่าคนก็ทําให้เราโกรธแเราดับความโกรธในคนเหล่านั้นเรามองคนนั้นยังไงมองคนนั้นด้วยความอย่างน้อยต้องเฉยนะฮะอย่างน้อยต้องเฉยไม่ใช่อย่างตะกิดตะกิดอยู่อย่างน้อยต้องเฉยแต่ให้ดีแล้วต้องเมตตาการุณาเลยมองทรัพย์สินเงินทองเข้าของเขายังไง มองด้วยความไม่โลภต้องมองด้วยความไม่โลภนะฮะมองคนด้วยความไม่โกรธเป็นอย่างน้อยมองของด้วยความไม่โลภเป็นอย่างน้อยถ้ามากกว่านั้นมองคนด้วยกรุณามองของด้วยการให้คือแทนที่จะไม่ไม่อยากองเขาแล้วก็อยากให้เขานั่นคือแสดงถึงอาการว่าทานอภินันนะฮะมันจะเป็นอย่างนั้น เรนิพา น, อ, นอ่อนเองมันจะเป็นอย่างนั้นอาการมันจะเป็นอย่างนั้นแต่บางทีนิพานแล้วมันปลนปลือตัวเองนะไม่ใช่นิพานนะนะไม่ใช่นิพานถ้าปลนปลือตัวเองไม่ใช่นิพ า, า, า, านมันเป็นกามนั่เป็นกามไม่ใช่นิพานประการต่อไปเป็นการแสดงบุคคลระดับอุดมการทรงใช้คําว่าบรรปชิตหรือสามนะณะ เราจะเห็นว่าถ้ารูปแบบก็คือนักบวดแต่ที่จริงแล้วนี่โดยเนื้อหาอันนี้พูดโดยเนื้อหากันเนื้อหาไม่มีรูปแบบนะฮะเนื้อหาไม่ใช่รูปแบบญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเป็นบรรพชิตเป็นธรรมณะด้วยอะไรเป็นบรรพชิตปรเว้นบาปเป็นส ม, มณะเพราะสงบบาปบาปมันมาจากอะไรมาบาปมาจากกิเลสมายความเราก็ลดละบรรเทากิเลสอาการกิเลสไม่ปรากฏ อย่างน้อยก็ไม่ปรากฏทางกายทางวัจจกก็เป็นการสงบกิเลสสงบอาการมาสงบเพราะงั้นลักษณะข็งคือสันตกายโยสันตะวาจโจสันตะมโนกายสงบประจาสงบใจสงบตินมาสงบยังไงสงบก็คือไม่มีการคิดนะฮะมันไม่มีการคิดการทำการพูดที่เป็นบาปหรือไม่มีการทำการพูดการคิดไปตามหน้าของกิเลส จึงทรงสแสดงลักษณะไงนาฮิปปะจิโตปรูปะคาติผู้ฆ่าสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบรนมิชิตงดเว้นนะั่นนะเห็นหมครังดเว้นระดับศีลระดับศีลนั่นเองงดเว้นไม่ฆ่าถ้ายังฆ่าก็ยังเป็นบัรมชิตไม่ได้หมายความยังไงหมายความว่ายังดับกิเลสไม่ได้ ยังไม่เข้าถึงภาวะของนิพพานหมายความไงหมายความมันไม่อดกลั้นต่ออารมณ์ที่อยากฆ่าอยากลักอยากอะไรแต่อไปสมโนโหติปรางมเหตยันโตผู้เบียดเบียนสัตว์ฆ่าเบียดเบียนคือผู้เบียดเบียนสัตว์ไม่ชื่อว่าสมณะหมายความว่าพูดในระดับศีลซะก่อนผู้ระดับศีลคล้ายๆกับทศพิรดาจะทำที่เราอาหิงสา อากุฏทางเอาหญิงสันจะขันตินจะวิโรธนางเห็นนะฮะไม่ได้พูดระดับธรรมะพูดระดับศียงก่อนอหญิงสาคือไม่เบียดเบียนอากุะคือไม่โกรธไม่เบียดเบียนต่อไปคืออะไรคือกรุณาไม่โกรธต่อไปคืออะไรคือเมตตาแต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มดีนะฮะเริ่มดีมันเริ่มจากงดเว้นบรรพชิตก็งดเว้นจากการ ค่านะสมณะก็คือไม่แสดงการเบียดเบียนมันมันต่อกันไปคือเรางดเว้นจนปกติกายกายเย็นวาจาเย็นใจยเย็นถ้าญาติโยมก็เรียกว่าถึงใจบวช ท, ที่ใจเวเนียมาตือหลักอย่างนพระนวกะเวลาไปลาศึกเนี่ยกกเราขอแก่บวชใจ ก็กรบวชใช่เพราะไม่ไม่ได้หรอกศึกษาศึกเพราะบวชในจริงมันไม่มีรูปแบบหรอกในแง่ของธรรมะนะในแง่ของพระสูตรคือเนื้อหาหลักของการบวชเนี่ยที่จริงมันไม่ค่อยเนื้อหารวมเลยนะเนื้อหารวมของความเป็นพุทธคือไม่เบียดเบียนมันท่านใช้คำว่าอิงสาสัญญโมธมสามคํานะฮะ สัญสารัปยโมหะเห็นไหมนั่นคือบัญญัติคือสั ม, มณะคือนิพพานคือขันตินั่นเองออกมาเป็นรูปธรรมะในตัวคนคือไม่เบียดเบียนทีนี้ทํายังไงจึงจะไม่เบียดเบียนสัญญมะคือสํารวมระวังสำรวมระวังเวลาเกี่ยวกับคนกับสิ่งมีเกี่ยวเนื่องหรือคนกับทรัพย์สินของคนผู้กครองคนก็สํารวมระวังแล้วก็ทํายังไงสํารวมระวังได้ต้องฝึกสัญญมะธรรมะต้องฝึก ฝึกบางทีมฝึกมาอยู่ก็ต้องโคมใจเอาโคมใจห้ามใจเอาไม่ได้เป็นพระอาราหารนันเะน้นนะที่จะอัตโนมัติแต่ยังไงก็ทําอย่างเงี้ยเพรา ะ, ะภาพลักษ์ภาพรวมก็คือการไม่เป็นฆาตศึกการปฏิบัติที่เราเรียกว่าสุปฏิปันโนปโกโตสาวกสังโฆนะอย่าลืมว่าเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันไม่ใช่เฉพาะพระนะไม่ใช่เฉพาะพระเพียงแต่ว่าที่เรากล่าวนั้นเรากล่าวถึงพระริยบุคคล แต่เราจะเป็นพระ ห, หรือคารวะเราก็ต้องพยายามปฏิบัติดีนะฮะพยายามปฏิบัติตรงพยายามปฏิบัติรงควรเราไม่ได้แล้วนะเราไม่ได้แล้วไม่เป็นสุ ป, ปฏิปโนปกตสาวกสงโคสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วไอ้แล้วนัพระอริยะบุคคลนะนะเรายังไม่แล้วหรอกเราก็ต้องพยายามปฏิบัติ ทีนี้ในในคำวสุปฏิปโนมันก็มีคําว่าอปัจจนีกะปฏิปทาเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นฆ่าสื่อกับใครๆฆ่าสื่อคนอื่นคืออะคือเบียดเบียนเขาเห็นไหมคือฆ่าเขาคือเบียดเบียนเขาพระทุศราที่นี้เมื่อเราไม่ทําเราก็เป็นบรรปัญจิตเป็นธรรมะโดยโดยธรรมนะฮะไม่ใช่โดยรูปแบบจริงๆโดยธรรมนะโดยรูปแบบมั น, ม, นมันเหมือนกับเส้นบรรทัดที่เขาขีดตอนต้นๆแต่นัน่นเอง ประการต่อไปนั่นคือหลักการที่จะเข้าสู่อุดมการในโอวาทปฏิปทาจะเห็นว่าจะโยงถึงกันตลอดโยงถึงกันตลอดเต่อไปคือหลักการที่จะเข้าสู่อุดมการเป็นการปฏิบัติธรรมะโดยอุดมการเป็น เ, เป็นผลอุดมการเป็นบุคคลอุดมการอุดมการของคนในพระพุทธศาสนาตรงนี้เราจะเห็นว่าเน้นที่คําว่าอารหังสะท้อนเอกลักษณ์ของอารหังออกมา คือว่าไกลจากกิเลสไม่ทำอะไรไปตามหน้าของกิเลสก็คำสั้นๆง่ายๆนะฮะแต่ว่าฏิบัติเกือบตายนะนะยังยังยังชาติเดืองยังไม่จบไปกี่ชาติยังไม่จบเป็นคำพูดที่ที่ที่ไเราะมากนะฮะไปเราะมากใช้คำสามคำง่ายๆ สัพพะปัสสะกรณห่งการไม่ทําบาปทั้งปวงนะฮะเช่นเน้นคําว่าทั้งปวงนิดเดียวก็ไม่เอาคิดก็ไม่เอานะะคิดก็เป็นบาปเพราะงั้นการไม่ทําบาปทั้งปวงได้จึงไม่มีใครนอกจากพระอาหารหันต์ถ้าทั้งปวงแล้วเนี่ยนะฮะทั้งปวงแล้วนะมีพระอาหารหันต์ได้นั้นเองกุศลสูบสัมปดาทํากุศลให้สมบูรณ์ สมบูรจริงก็คือพระอาหารหันต์อีกนะสะจิตะประโยชน์ประดังทำจิตได้ผ่องเผพ้วเรียกว่าขาวรอบด้านนะฮะประโยชนรัปนาเนี่ยคือขาวรอบด้านขาวหมดคขาวหมดจริงๆก็เป็นพระอรหันต์เพราะงั้นที่ที่ทอามาเคยบอกว่าสำนวนประสูตรเนี่ยท่านช้คำว่าพระเจ้าทรงแสดงธรรมมีพระอาหารหันต์เป็นยอดไม่รู้ว่าเอาพุทธสาวกเดินตามรอยพระอาหารหันต์ไปแล้วกันถึงไหนก็ถึง นะเดินไม่มากๆแล้วกันแต่จะปรับมาอยู่ทางพระอระหันต์หมดเดินตามรอยพระอระหันต์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการไม่ทําบาปการทํากุศลให้สมบูรณ์การนำจิตไปของแผ่นนั้นก็คืออย่างน้อยที่สุดนี่เราจะไม่ฆ่าจะไม่เบียดเบียนเราก็เป็นบนรรปัญชิตโดยรูปแบบไม่ใช่โดยคุณธรรมเป็นสมณะโดยคุณธรรมโยมโยมก็เป็นอย่างเนี้อย่างอย่างที่เป็นเนี่ยนะฮะแต่ว่าใจกายวาจาใจเราเป็นสมณนะ การว่าจใจเราเป็นบนรรพชิตหมายความไงหมายความเราสงบบาปนะอย่าน้อยเราก็ดับกิเลสได้ระดับหนึ่งนะอยู่ในสายของนิพพานรัศสมีของนิพพานนะฮนะจิตใจเรามีอะไรเราก็อยู่มีขันติถ้าเราไม่อดทนเราเราเราเร า, เราทำไม่ได้เลยนะฮะทาไม่ได้เลยสามคำนะตรงนี้ที่จริงคือศีลสมาธิปัญญา ที่จริงคืออาริมักไปองแปดแล้วที่จริงคือกุศลธรรมตัวเหตุทั้งหมดกุศลธรรมตัวเหตุทั้งหมดเมื่อคืนเนี่ยลูกศิษย์ก็ไปปรึกษาก็าจะแทศต่อกันคืนนะ่ะจะถามอธิบายยังไงว่านั่งอธิบายก็ฟังบอนี่คุณจบประเด็นง่ายคือว่าตอนทาวัดอะทำว่ามานั่งคิดประสูมไปเรื่อย ปากก็สวดไปใจก็คิดธรรมะไปมันก็จับจับประเด็นหลักได้อย่างหนึ่งเพราะใจกิเลสเนี่ยมันเป็นโลภโทสะโมหะเท่านั้นเองทีนี้เราจะเห็นว่าพัฒนาการทางจิตพัฒนาการทางจิตที่มันเดินขึ้นไปเนี่ยโลกเนี่ยมันมีชีวิตกับไม่มีชีวิตในโลกทั้งปวงเนี่ยเขาเรียกว่ามีชีวิตกับไม่มีชีวิตเท่านั้นเองแต่เรียกเป็นทัพย์ เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้เรียกวิญญาณสังวิญญาณกะวิญญาณก ะ, ญญณกะสะรุปว่ามีชีวิตก็ไม่มีชีวิตตามปกติสัตว์โลกเนี่ยสํสาหรับสิ่งมีชีวิตมันจะเกิดราคะก็เกิดโทสะสังเกตนะฮะจะเกิดราคะก็เกิดโทสะถ้าเราชอบเราเกิดราคะถ้าไม่ชอบเราเกิดโทสะแต่ถ้าไม่มีชีวิตเราจเกิดโลภะ อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้โน้นอยากได้ป่าอยากได้ต้นม้นอยากม่วมั่วหมดเลยเดี๋ยวนะจะเกิดราคาเกิดทำมาทำใหม่มันโง่มันมันมนเกิดโมหะทีนี้พอเราพัฒนาปัญญาขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเกิดรู้เห็นตามความจริงกับคนเนี่ยเราจะเกิดเมตตาสิงมีชีวิตเราจะเกิดเมตตาหมายความไงมันสงบโทสะ แล้วกับสิ่งที่มีเจ้าของเนี่ยฮะเราจะเกิดเราจะเกิดเสียสละอย่างน้อยนี่เกิดไม่โลภ ก, ก่อนนะฮะเกิดเกิดไม่โลภอยากได้เขาก่อนจนจะเกิดเป็นทานคือเสียสละนอกจากว่าไม่อยากได้เขาเลยให้ของเราเลยให้ของเราเลยต้องนี่เพราะ เ, เพราะเราเรามีปัญญามันขจัดโมหะไปได้มันเป็นลดโลภโทสะราคะได้ ทำให้ใจเราที่มีปัญญาเนี่ยก็สร้างเมตตาขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตนะฮะเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่โลภจนถึงสละสิ่งที่ไม่มีชีวิตอะไรก็ได้เรียกว่าทัพนะฮะเรียกว่าทรัพคำว่าทรัพอธิบายง่ายๆก็อธิบายไปหลายแนวนะฮะคื อ, อก็จะเอามาแทศกกลางดึกอธิบายเขาบอกจับจับประเด็นอย่างเงี้ยคิดง่ายงอย่างเงี้ย แล้ไปถึงพูดไปก็พูดได้สบายมากเท่าไรก็ได้นั่นคือมองเป็นภาพรวมง่ายๆนะมองๆๆ ง, ง, ง่ายๆโดยจับประเด็นของพระพุทธคุณนั่นแหละริงจะจับจั บ, จ, บจับความคิดจากพระพุทธคุณประการต่อไปนั้นเราจะมองสองแนวตรงนี้ให้ลองสังเกตว่าใช้เอตังพุทธานสาสนะนี่เป็นคำสอนของพุทธะทั้งหลาย คำว่าพุทธะไม่ใช้เอกพจน์นะฮะใช้ผู่พจน์หมายความว่าไม่ใช่พระองค์อง์เดียวหรอกสอนพุทธะทั้งหลายท่านสอนอางเงี้ยนั่นคือบริสุทธิ์ที่คุณเห็นชัดว่าบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาคุณรู้ว่าพุทธะอื่นก็สอนอย่างนี้พระองค์เองก็สอนอย่างนี้แล้วไม่ได้ปกปิดคุณความดีใครนะท่านสอนมาระพุทยา ก, ยกย้ายกย่องเขาว่าพุทธะทั้งหลายท่านสอนอย่างี้ ต่อไปก็เราดูแล้วเนี่ยถ้าสําหรับผู้ฟังนะฮะสำหรับผู้ฟังตรงนั้นเหมือนกับคุณสมบัติของผู้สอนศาสนาเป็นเป็นคู่มือทำรรกระสือคู่มือนักเผยแผ่เป็นคุณสมบัติของนักเผยแผ่ศาสนาแต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยโดยจะเห็นว่าเป็นหลักมนุษยสัมพันธ์แล้วก็การตั้งตัวเองให้เป็นฐาน เพราะว่าในสังคมที่เราที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเราเนี่ยเป็นฐานเราจะต้องต้องวากเรียกเป็นหลักเป็นฐานคือวางตัวเองให้เป็นฐานได้แต่เราเสียฐานแล้วมันเสียในวันก่อนนี่ยมีมีคนเข้ามาบอกว่าอะไรเขามีการขัดแย้งมาบอกว่าอะไรก็ตามป น, นะการ การต่อสู้การถูกเฉียงการจะเอาอะไรกันเนี่ยมันสําคัญว่าเราต้องมีฐานดีถ้าเราฐานเราไม่ดีเราทําอะไรไม่ได้แร้วแม้แต่จะยืนจะหยิบของถ้าที่เรายืนไม่ดีเราก็หกคำเบน ล, ลงมาเพราะฐานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่พระเจ้จาแสดงเป็นรูปของการต่อสู้โดยยกตัวอย่างทหารเขาเรียกว่าโยธาชีโวลักษณะทหารเนี่ย มันจะหนึ่งต้องมีเชยภูมิเหนือกว่าเชายภูมิเชยภูมิเหนือกว่าค่าศึกนะฮะจะทําให้คนน้อยเอาชนะคนมากได้เหมือนกับกรมราชาวังบวรอุทหามัหมุนที่อะไรเมืองการนะนะฮะในโลกกับพม่าพมาเนื้อวัตถารเดินทางมาทั้งคืนนะฮะมากก็ปอดแทกเดินทหารหมุนมาขึ้นนี่ก็สร้งางเชยภูมิให้เหนือกว่า แล้วก็ยิงได้ไกลนะฮะยิงได้ไกลแล้วก็ยิงได้ได้ไหวยิงได้เร็วแล้วทําลายขุมกุมกรมังฆ่าสึกได้ดูด้วยขุมกุมกรมังตัวใหญ่มันอยู่ตรงไหนนะะแล้วก็ทํามันตรงนั้นกิเลสมันก็เหมือนกันเนี่ยนะะเราต่อสู้กกิเลสนี่ฐานเราต้องแข็งคือศีเนี่ยฐานศีรเนี่ยต้องแข็งถ้าศีลเราอ่อนแล้วเราแย่เลย แล้วก็ยิงได้ไกลไหมายความว่ามองปัญหาที่ยังไม่เกิดนะเหมือนกำลังเกิดเช่นเราชราตะมโมมจโิจรังนาติโตที่ยิงยิงได้ไกลเราไม่ถึงแก่งับเหงือกอะไรแล้วนะแต่เราก็เออเรามีความแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตามเป็ธรรมดาพลาดพลาดเป็นธรมนธรมดาถึงการยิงได้ไกลและยิงได้ไวก็คือรู้เหตุรู้ผลเร็วจนถึงรู้ยาศาสตร์ใจเร็วนะแล้วทําลายคุมกำลังฆ่าสึกได้ก็คือทําลายอาวิชชาได้ สำลายกิเลสได้อย่างน้อยก็ลดความรุนแรงของกิเลสลงไปได้นั่นก็คืออะไรถ้าลดถ้าลดถ้าลดก็คือบาปต้อยลงนะครับบุญเพิ่มขึ้นจิตใจก็บริสุทธิ์ขึ้นก็แนวเนี้สยสัพพะปาสกานางท่านบอกว่าอนุปวาโดอนุปค า, าตัวเรื่องใหญ่เลยนะ พูดสองคำเนี่ยคมมากๆเลยนะฮะสองคำแต่นั้นเองอนุกวาโดนุปกาโตอย่ากล่าวร้ายอยา่าทำลายกล่าวร้ายคือวจีทุจริตทําลายคือกายทุจริตหมายความว่าพฤติกรรมเราที่จะสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยอะไรก็ตามนะฮะเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นสามีปัญญาเป็นครูกสทธิ์เป็นชาวบ้านกับพระเป็นราษฎรกับพักการเมืองด้วยกันนะ รัฐบาลกับพรรคการเมืองด้วยการรัฐบาลรัตต้อนรัตอะไรเนี่ยอยา ก, กล่าวร้ายะทําทำลายถ้าไปเอาตรงนี้แล้วก็เสร็จกล่าวร้ายเนี่ยก็เสร็จเลยนะฮะกล่าวร้ายพูดกันพูดกันแล้วก็ไปขัดแย้งกันหรือ ว, ว่าด่า ว, ว่ากันเนี่ยก็เสร็จทรงใช้คำว่าอยา ก, กล่าวได้อนุปวาโดอย่ากล่าวร้าย แล้วก็อย่าทำลายอนุปัฏฐาโตอย่าฆ่านะาจริงจรงอนุปัฏฐาโตเขาพูดอย่าฆ่าอย่าฆ่าอย่าทำลายเพราะการเทศการสอนในในแนวของจะสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นต้องเว้นตัวนี้เว้นเว้นเด็ดขาดเลยนะเว้นเด็ดขาดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเองคือฐาน สำมรวมระวังในหลักปฏิบัติจะเป็นศีลในชั้นศีล น, นะฮะพูดง่ายในชั้นศีลแล้วก็รู้จักประมาณในการในการรับประทานอาหารไม่ตกเป็นธาตุของอาหารมากเกินไปและจิตใจนะัน้นนมน้องก็หาสถานที่สงัดเงียบ นั่นแสดงว่าเป็นหลักปฏิบัติสําหรับนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่หมดกิเลสแต่ใ น, ในขณะเดียวกันพระอาราหารอนะะันต์เองเนี่ยฮะพระหันต์เองเนี่ยท่านก็อยู่ในที่เงียบโดยธรรมชาติของท่านเพราะสถานที่นี่จะช่วยแต่เราอยู่เงียบเงียบเนี่ยความคิดเราจะสงบจะเยเือกเเมื่อคืนวานนัดพวก การการผู้ใหญ่หลายหายท่านเาคุยกันสองทุ่มนะคือกาลังวางแผนจะจะใช้สื่อทางวิทยุเนี่ยกระจายเสียงออกสวดมนต์ตอนเช้ากระคุมหมดทั่วประเทศเลยใช้หอกระจายข่าวและใช้ไทคมไท่คมพันสองร้อยจานเนี่ยก็จะวางไงนะฮะมองประสานเรียกเชิญกรสชอะไรอะไรมาเ ก, กันคือทำยังไงว่าให้คนไทยตื่นมาถึงได้ยินเสียงสวดมนต์ อิสลามเนี่ยเขารำหมาดวันหนึ่งตั้งห้าครั้งไง น, นะแล้วสวดมนต์ดังคึมไปหมดไลออกเครื่องขยายเสียงเนี่ยแล้วถ้าก็เราออกด้วยนะฮะเบนนีก้กำลังทำรายการโทรทัศน์ไม่ใช่ไม่รู้ญาติโยมทั้งหลายตื่นมาดูบ้างเปล่าแต่คนทำเองก็ไม่เคยตื่นมาดูมันดึกไปแต่ตอนตีห้าครึ่งนะฮะตีห้าครึ่งตอนนี้เราทำเมื่อวันเมื่อเช้านีกวา แต่กำลังจะไปที่วันจันท์อันคานวันพุธตอนนี้เราทําที่พฤหัสกับเสารมันก็ติดเรื่องเงินเลยก็เชิญผู้ใหญ่มาหลายท่านเน่ยช่วยหาหน่อยอรายการรายการคราวหนึ่งเนี่ยโทรทัศน์เป็นเล่นมันไม่ใช่เบานะฮะตามเป็นเทปส่งไปให้ก็นี่สองหมื่นห้างวดประหยัดนะฮะทําประหยัดประหยัดสามหมื่นห้าแต่ว่า กำบางกำบังคิดว่าโทรทัศน์อันนี้เราจะออกที่ช่องสิบเอ็ดเราจะออกช่องสิบที่ที่ที่ที่หาดใหญ่แเราจะออกที่สุราษฎร์อะไรต่างๆก็ลองประสานกันดูเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทีนี้เราเราเรานึกว่าถ้าเราจะเอาเป็นสวดมนต์สวดมนต์ด้วยแต่โทรทัศน์ของสวดไม่ได้นะเราจะใช้วิทยุนี่สวดมนต์ให้ คือตื่นขึ้นมาถ้าใจเราเย็นให้ญาติโยมเราสังเกตพ่กนี้เช้าก็ได้นะฮะตื่นเช้ามาถึงทำใจให้สบายอย่ากโกรธอย่าหงุดหงิดตั้งใจเลยเช้าเนี้ยไม่โกรธไม่หงุดหงิดแล้ววันนั้นทั้งวันเนี้ยสุขภาพจิตโยมจะดีทำไม่ได้ตอนเช้าลักษณะเหล่านี้สังคมไทยเราสร้างคนให้ตักบาทเนี่ย ความคิดตักบาตรนั้นคือการทําจิตเท็สงบมันคิดวันนั่นแต่ก่อนนอนจะตื่นขึ้นลุกขึ้นหุงข้าวตักบาตรเห็นว่าใจมันหลับไปด้วยกุศลตื่นปั๊บจิตตัวบาตรแรกที่ตื่นเนี่ยคือลุกขึ้นตักบาตรแล้วจากนั้นมาใจมันเป็นกุศลทั้งหลดจะจะจ ะ, จะตักข้าวสารจะทําอะไรใจมันอยู่ที่การตักบาตรหมดระยะเวลาตั้งไม่น้อยกว่าชั่วโมงครึ่ง นะไม่น้อยก็ชุดอวโมงครึ่งกิจที่มันวิ่งอยู่กับกุศลทุกวันแล้วก็สะสมสันดานทำให้ไม่ตักบาดไม่ได้มันขาดรู้สึกมันขาดจะสร้างเป็นลักษณะนิสัยและจิตใจจะอ่อนโยนจิตใจจะอ่อนโยนลงไปโดยลำรับเพราะงั้นเราเราเร า, เราอยากจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมานะแต่ไม่รูนะ้มันต้องถึงภาครัฐบาลนะฮะกับบงรณรงค์อย ถ้าถ้าเราถ้าเราเอาได้เกี่ยวกับทหารพันกว่าร้อยกว่าสถานีได้นะฮะแล้วก็เปิดเช้ามืดกระซุ่มฟังทั่วประเทศเลยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ให้ได้ยินเสียงข อ, อกระจายข่าวเข้าช่วยแล้วก็ใช้ไทยคมเข้าช่วยนะฟังสวดมนต์ในตอนแรกๆคงสี่ห้านาทีก่อนนะฮะแล้วแล้วท่านดีเนี่ยฮะท่านดีเราค่อยขยายไปมาว่าฟังได้สักสิบนาทีตื่นขึ้นมาก็ได้นอนฟังก็ได้ ฟังใจใกําหนดตามไปตรวจตามไปใจสงบเตรียมใจต้อนรับอรุณใหม่รักษาใจในตอนเช้าให้ดีนะฮแล้ววันนั้นจะอารมณ์ดีแต่ลองดูนะฮะถ้าไปทะเลาะ ก, กันตอนเช้าแล้วเสร็จทั้งวันเนี่ยรวนทั้งวันเลยเสียศูนย์ใจมันเสียศูนย์เพราะฉะนั้นใจต้องรักษาให้อยู่ที่ศูนย์ในแะต่ วิธีนี้คือวางใจเห็นไหมฮะท่านบอกว่าสำรวมในในปาติโมกปาติโมเขย่สังวรณสำรวมในระปาติโมกรู้จักประมาณในพัตตาหานนั้นเพื่อเพื่อเพื่อเพื่ อ, อคุมใจเราลรงกลยเราแล้วอยู่ในที่สงัดอย่ารับอารมณ์มากเกินไปประกอบความเพียรในที่จิตตรงนี้ที่เราเน้นคือต้องการความเพียรในที่จิตให้จิตมันเดียวให้รับประสาทมันรับรับเสียง เสียงสวดมนต์สวดมนต์ท่านท่านนางหลายเราสังเกตดึกดึกนะฮะดึกดึกเงียบเงียบถ้ามีเสียงสวดมนต์แผ่วแผวมาเนี่ยโอ้ซึ้งมากนะฮะเสียงสวดมนต์ที่จริงเนี่ยเขาไม่ต้องการให้รู้เรื่องก็ต้องการให้สงบเขาเรียกสัตย์สัญญากําหนดออกมาเป็นเสียงสวดมนต์แต่นั่นเองเสียงสวดมนต์แผ่วแผวแว่วแวมาก็ สวดเนี่ยเขาให้สงบพูดง่ายว่าสวดเนี่ยเขาเน้นที่สติสอนเนี่ยก็เน้นที่ปัญญานะอย่างปัญญาอย่างเงี้ยโยมก็ฟังกันแล้วเนี่ยฟังได้นะแต่บางทีคนก็ไอ้สวดแปลแปลทําไมอยูสวร์เขาไม่แปลเขาไม่ต้องการแปลแต่เขาต้องการสงบเพราะถ้าแปลในใจมันจะไม่สงบใจมันจะวิ่งเราสวดเสียงแผ่วเนี่ยฮะ แล้วเราจะจะไม่คิดอะไรเราเราดูง่ายๆอย่างเนี้ยคุณฟังดนตรีบรรยายนะไอบ้บรรเลงบรรเลงดนตรีที่บรรเลงในใจจะสงบเพลงที่ร้องในใจจะไม่สงบเพราะมันจะมีเฉพาะเสียงเฉพาะเสียงแต่นั่นเองแล้วใจเราจะสงบจะอ่านหนังสือได้จะทําอะไรอะไรได้เลยคืออธิจิตเป็นการประกอบความเพียรในด้านอาธิจิต ถ้าเป็นนักเผยแพร่เกี่ยวข้อคนอื่นสีข้อแรกเนี่ยคือฐานที่จะรักษาตัวเราไม่จะติด ส, สีข้อหลังนะครับปาติโมเกียจะสังวโราสำรวมในบทบัญญัติทังศี่ดูจากประมาณในการรับประทานอาหารแล้วก็อยู่ในที่นั่งที่นอนทีสงัดสงัดเงียบแล้วกป็ประกอบความเพียรในที่จิตคุมในด้านความคิดจิตใจเราไว้คือใจสงบ มันมั น, มนบางบางทีท่านสร้างเปจารีตอย่างว่าพระจะเทศเนี่ยต้องอาบน้าเอาผ้าก่อนนะฮะต้องอาบน้าเอาท่าทำตัวให้สะอาดทําแล้วว่าทาใจให้เย็นแล้วก็อยู่เงียบๆคนเดียวนะฮะอยู่เงียบๆคนเดียวคนเทศปกติเขาจะไม่เคยชอบคุยก่อนเทศนะฮะก็จะไม่ชอบคุยจะทําทใจให้เขาสงบเพื่อมันพร้อมเ พ, มพมื่อพร้อมที่จะเทศ เนื่องจากอะไรเนื่องจากาใจเราฟุ้เนี่ยใจเราฟุ้งเราก็มีปัญหาแต่อย่าลืมว่าธรรมะตรงนี้สี่ข้อทั้งหมดเนี่ยนะฮะเมื่อปฏิบัติแล้วก็คือการละบาปนะฮะเกิดการละบาปการบําเพ็ญบุญการนําจิตได้ฟ่องแผลการไม่กล่าวร้ายการไม่ทําลายก็คือลักษณะของบรรพชิตสามะณะที่กล่าวไว้ในตอนต้นเห็นไหมการไม่กล่าวร้ายการไม่ทําลายนะ่ะคือการไม่ฆ่าการไม่เบียดเบียนนั่นเอง เป็นการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำลายเป็นอาการนะฮบรรญัติชี้สามมณะนั้นเป็นตัวคนอย่างที่เคยบอกว่าธรรมะในะที่จริงเรามองให้เห็นทั้งสีง่ทั้งทั้งสามระดับหนึ่งสภาวะธรรมที่อยู่ภายในใจสองอาการของธรรมะที่ออกมาเป็นการพูดการทำนะสามคือความต่อเนื่องของการกระทําเหล่านั้นดีไม่ดีไม่รู้นะฮะสี่คือ คือคนคนนั้นเป็นคนดีเป็นคนชั่วถ้าเราย้อนกลับมาทาไมดีเพราะว่าเขาคิดดีจิตใจเขาดีเขาทำดีเขาพูดดียางเงี้ยเขาเป็นเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมอาการปกติเขาแล้วเขาก็กลายเป็นคนดีมันต่อกันสามตอนนะเราจะเห็นว่ามันจริงๆมันเป็นนามธรรมาเป็นนามธรรมาก่อนเป็นเมตตาเป็นกรุณาอะไรต่ออะไร แล้วเมตตาเนี่ยมันเกิดที่จิตแต่มันออกมาทางวาจาเราเมตตากับคนนี้เราพูดหยาบคนนี้ไม่ได้เราจะพูดด้วยความไพเราะด้วยท่อยคำไปเราจะทําอะไรรุนแรงกับเขาไม่ได้เพราะเราเมตตาเขาเห็นไหมมันก็เป็นอาการอาการของเมตตาออกมาทางในทางกายกับทางวาจาทีนี้เป็นอย่างเงี้ยเป็น ก, ปก็ปกติเลย เขาเรียกว่ามีศีลโดยปกติมีเมตตาโดยปกติท่านท่านทท่นเรียกาเมตตาวิหารีมีเมตตาเป็นปกติเคยได้ยินคำว่าธรรมจารีไหมธรรมจารีคือประพฤติธรรมเป็นปกติมันเป็นอาการที่ต่อเนื่องสามวันสี่วันห้าวันสิบวันเจอก็เป็นอย่างนี้ทุกทีเออคนดีไอ้นี่เมาเหล้าทุกทีเเจอเมาเหล้าอานแล้วว่าไอ้คนชั่วมันชั่วอย่างเงี้ยกี่วันกี่วันก็เมากับมันอย่างเงี้ย อันนั้นก็คือก็คือสี่ช่วงเห็นไหมหมายความว่าธรรมะการนะการทำการพูดการคิดแล้วก็ความต่อเนื่องปกติของคนนะัปกติลักษณะนิสัยก็เรียกลักษณะนิสัยแล้วก็เป็นคนดีเป็นคนชั่วเป็นคนดีเป็นคนชัวนนนนช่วก็ก็ไปรบก็ เริ่มจริงๆเริ่มจากตัวธรรมะที่ปรากฏภายในใจเพราะว่าแนวของท่านถ้าเรามองย้อนมาจากจากข้างหลังการบําเพ็ญเพียรทางทา ง, ทางด้านอาธิจิตนี่คือตัวหลักเลยหมายความว่าจิตเป็นสงบการอยู่ที่นั่งที่นอนส ง, งัดเป็นตัวประกอบเป็นตัวหนุนรับประทานอาหารไม่มากเกินไปก็เป็นตัวหนุนสํารวมในศีลก็คือตัวศีลอธิจิตก็คือสมาธิใช่ไหมฮะอธิจิตก็คือสมาธิ พวกนี้เป็นศีล น, นะครตกลงว่าอาการที่ท่านเน้นตรงนี้ท่านเน้นตรงเนี้ยคือเน้นที่ศีลกับสมาธิเป็นอใหญ่มากศีลคุมระดับไหนคุมอย่ากล่าวร้ายอย่าทําลายแล้วกันนะอย่าถึงกับกล่าวร้ายอย่าถึงกับทาลายแล้วกันทีนี้เมื่อไม่กล่าวร้ายไม่ทําลายการกล่าวก็ดีการทําก็ดีก็สะท้อนมาจากจิตที่ที่สงบที่มีเมตตา เป็นธรรมปฏิบัติพัฒนาที่เข้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายข้างบนนะท่านเหตว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องอดทนแต่ถ้าเราทําได้เราก็ดับกิเลสได้เราก็ดับทุกได้ไม่ว่าเราก็อยู่ในกระแสก็นิพพานนะอยู่หลังๆเท่าไหร่ก็ช่างแหละแต่มันอยู่ในกระแสะอยู่ในเส้นทางเดียวกับพระอาหารหันต์ดันเดิ น, ดนตามหลังท่านเห็นไม่เห็นก็ก็มั่นใจ่นะฮะ ประหารท่านไปแล้วสักร้อยกิโลเราก็ไปทางเดียวกับท่านก็ก็มั่นใจพอสมควรเราทำให้เข้าใกลแล้วก็เราสะท้อนเอกลักษณ์สั ญ, ญลักษณ์ออกมาได้ก็คือไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนดูในชีวิตประจาวันเป็นไงดูในชีวิตประจาวันคือเกี่ยวข้องใครเราก็ไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายใครเรียกว่าไม่เป็นฆ่าศึกกับใค ร, ใคร เป็ น, เ ป, นเป็นธรรมปฏิบัติที่สรุปรวมไว้ทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นทั้งเหตุนะเป็นทั้งผลเป็นทั้งอาการนะในระดับต่างๆซึ่งไม่ได้เจาะจงไม่ได้เจาะจงพระนะเป็นคาสอนแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านเรียกว่าเป็นโอวาทหลักท่านลองสังเกตว่าไม่ได้พูดถึงอกุศลพูดถึงกุศล นะอากุศลก็พูดในระดับที่ถูกเว้นไปแล้วนะฮะไม่ได้พูดในแนวที่จะยกยกมาเป็นเป็นเป็นนะคนนั้นคนคนชั่วอะไรไม่ไม่เอาอย่างนั้นเพราะว่าธรรมะปฏิบัติตรนนี้คือแนวรับประทานอาหารเนีย่ยที่บอกหมายความว่าสอนใะห้ลงมือประพฤติปฏิบัติเลยอย่างน้อยที่สุดต้องงดเว้นต้องไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่กล่าวร้ายไม่ทำลาย โดยสัมรวมในบทบัญญัติของศีลนั่นก็คือการไม่ทำบาปนั่นคือการทำบุญนั่นคือจิตใจเราที่ป่องใสสิ้นนะสมวั น, นี้ก็ข อ, อยุติไว้ได้วเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอการมไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านถือ